คงมาเข้าม ง, มงคลต่อนะคื อ, อยังอยู่ในรายการมงคลแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะได้กล่าวมงคลนี่ก็เรียนถึงพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์ผู้ตรัสมงคลทั้ง38คําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราสวดบ่อยมาก mm hmm. เช่นตั้งนโมตสสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะก็คําว่าพัควะโตใช่ไหม ตั้งน้าโมก็มีคำว่าพักวะโตอยู่ด้วยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพักวะก็พักวะโตอยู่ด้วยอิติปิโสพักวาก็พักวาอีกนั้นคำว่าพักวาก็นับว่าเป็นคำที่มีใช้มากในพระไตรปิฎกมากกว่าคำอื่นๆทั้งหมดเลยดีไม่ดีคำว่าพักวาใช้มากกว่าคำว่าพุโทโธเสีอีก น, น, นั้นคาว่าพัวานั้นถ้าเรา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 ไม่ใช่ภาเวตาประธรรมแต่เป็นธรรมอะไรเป็นปริญยาธรรมเป็นปริญยาธรรมเป็นธรรมที่เราเข้าไปพิจารณารอบรู้เพราะเราไม่สามารถเอาธรรมะที่ดับไปแล้วมาเจริญเอาตัวนั้นมาเกิดอีกไม่ได้เนี้เพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือหาเหตุหาปัจจัยให้กุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นนะ เพราะฉะนั้นปริมาณของการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายมีแต่การเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นไม่ใช่นั่งละห้อยหาไฝหาเพอหาในสิ่งที่มันดับไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันจะต่างจากการระลึกถึงกุศลที่เคยเกิดที่เรียกว่าเช่นจารคานุสติระลึกถึงจารค่าที่เคยให้กับอาไลาอาวรนในตัวจารค่าเจตนานั้นก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดี ถ้าราคาเข้าไปติดไปค่องในอารมณ์สำคัญอารมณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นกุศลก็ปรารวา่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษนะเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ควรเจริญทำชนะยกุศลเหล่านั้นจึงจะได้เกิดอีกจะได้เกิดมากจะได้เกิดบ่อยๆเอาเอ า, เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นี่มาขึ้นคาว่าพัวา อันนะั้นเมื่อเช้าได้สองในแล้วใช่ไหมในแรกภาคยาวาหมายถึงผู้มีบุญเนี่ยนะผู้แปลว่าผู้มีบารมีต้นเหตุคือบารมีทำให้พระองค์ได้รับความสุขทั้งที่ทเป็นโลกยะและโลกุตระในที่สองพักควาอันนะั้นพัะหมายถึงว่าพักฆะและก็วาพักควาตัวนี้หมายถึงพระองค์กาจัด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 ที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ชนะมัจจุมานชนะอย่างไรเพราะพระองค์ก็ตายไปแล้วอ่ะพูดแบบภาษาไทยเราเลยนะพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วที่บอกว่าชนะมัจจุมาแต่ว่าเลิกเกิดเนี่ยนะเมื่อมมหมดเกิดก็หมดตายเพระาะที่ตายเนี่ยเพราะเป็นผลของการเกิดก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำลายความเกิดก็เลยยังมีความตายพอทำลายความเกิดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ตาย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 ทีนี้ขณะที่โสมนัตเกิดก็เป็นโสมนัตที่เกิดพร้อมกับความหวังไม่ใช่โสมนัตที่เกิดพร้อมกับความสมหวังทพาะนั้นอยู่ในโลกของความหวังซะส่วนใหญ่หวังว่าหวังว่าอะไรเราหวังอะไรนั่นแหละที่เราหวังัแหละพระก็หวังอย่างหนึ่งโยบก็หวังอย่างหนึ่งอะไรไม่หวังไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าหวังสังขารทั้งหลายเนี่ยก็หวังความทุกข์กันนะ แต่ว่าสังขารทั้งหลายที่หวังแล้วเนี่ยเมื่อสมหวังแล้วจะเลิกทุกข์ทั้งมวลสังขารอันนั้นคืออริยมรรคอันนะเป็นสังขารที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงอริยมรรคถ้าประชุมพร้อมแล้วถ้าสิ้นหวังแล้วอย่างนั้นก็สบายแล้วนแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็ลาบากมากทบทวนมาว่าพระองค์นิชนะไอตัวกิเลสมารที่เป็นต้นเหตุแห่งอภิสังขารมาน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 ก็เลยอยู่จังนี้แหละไม่รู้ว่าใครเป็นมารของใครนะเดี๋ยวเรียนมงคลข้อแรกแล้วจะรู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นปาปมิรของใครกันแนะ่ทีนี้มาดูพระเคหิพระเคหิที่แปลว่าทรงประกอบด้วยพาคาธรรมในหน้า149ย่อหน้าล่างนะนะกลางกลางกล่าวว่า ก็แลความถึงพร้อมแห่งพระรูปปการของพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระบุญยลักษณะนับร้อยอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงมีภาคยะคือบุญความถึงพร้อมแห่งพระธรรมกายเป็นอันท่านแสดงแลอ่เป็นอันเป็นอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงหักโทสะได้แล้วถ้าแบ่งออกว่าแบ่งออกสองส่วนคือรูปปการกับธรรมกายหรือนามกาย รูปปัจยเนี่ยพระองค์เนี่ประดับด้วยอะไรมหาปริศลักษณะสาสสองอนุพยัญชนะแปดสิบอันนี้ทีนี้ในแล้วก็มีรัศมีออกมาอีกใช่ไหมมหาปริศลักษณะสาอนุพยัญชนะแ80ดิมีรัศมีออกมาอีกอันนี้ในส่วนของรูปปัะนั้นท่านบอกว่าเป็นที่โคจรแห่งสายตาของชาวโลกเป็นอเนก เขาดูเป็นรูปที่ดูแล้วไม่เบื่อคือรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่พระภิกษุทั้งหลายติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่รู้จักเบื่อนะนะก็ดูไปดูไม่ใช่ดูแต่รูปปกายเพราะว่าเห็นรู ป, ป, ปกายแล้วก็ดูนามกายด้วยและลึกถึงธรรมะที่มีอยู่ในพระองค์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 ตามเห็นโดยความเป็นอาัตตาก็ไม่มีนั้นพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในอุปาทานขันท่าปกติทั้งหลายบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะที่มีรู ป, ปกายที่งดงามเพียบพร้อมดุจสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีมานะไม่มีรอแต่พระองค์ไม่มีพระองค์เป็นผู้ไม่มีมานะในถ้ำกลางหมู่สัตว์ผู้มากไปด้วยหมัดพันถึงจะมีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างพระองค์ก็ไม่มี มานะเลยเนี่ยนะังนั้นพระองค์ก็รูปประกายของพระองค์นี้ก็ชั้นเยี่ยมที่นี่นามกายของพระองค์ล่ะมากไปด้วยศรัทธามากไปด้วยหิริโอตตปะมากไปด้วยจาระมากไปด้วยปัญญามากไปด้วยสติประทาสามารถประทาอิทธิบาทเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมโดยประการทั้งปวนล้วนแต่มีในนามกายของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติในไหนก็เกิดขึ้นในจิตของพระองค์ ความเป็นผู้ที่ชาวโลกและคนใกล้เคียงนับถือมากก็ดีความเป็นผู้ที่เครหอขัดและบันปลาชิดทั้งหลายไปมาหาสู่ก็ดีความเป็นผู้สามารถในอันช่วยขจัดทุกกายและทุกทุกใจแก่ผู้ไปมาหาสู่ก็ดีความเป็นผู้ทาอุปการะเขาด้วยอมิสทานและธรรมทานก็ดีความเป็นผู้สามารถในอันประกอบเขาไว้ด้วยโลกิยสุขและโลกุตรสุขก็ดี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 พระถ้ารู้ว่าพระบรมสารีราตนอยู่ที่ไหนเราทั้งหลายก็เที่ยวโครจรไปเพื่อจะไปกราบไปไหว้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเกศาก็ไปเป็นโลมาคือขนก็ไปเป็นฟันก็จะไปพระเคี้ยวแก้วนี่อยากเห็นมากเลยนะแม้แต่ฟันก็อยากเห็นพระอติธาต์ขอให้รู้เถอะว่าเป็นแกนกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะไปเนี่ยนะพันเป็นที่เรียกว่าเป็นที่โครจรของสัตว์ทั้งหลายเป็น เป็นที่รองรับสัทินีของสัตว์ทั้งหลายจริงๆเป็นที่รองรับความเคารพของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางรองรับความเคารพทางกายรองรับความเคารพทางวาจารองรับความเคารพทางใจนั่นมันทุกคนก็ไปมาไปหาพระพุทธเจ้านี่นะจากดินแดงต่างๆโคโจรไปที่นี้บางคนเนี่ย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 ใจแห่งความสุขทั้งหลายก็เตโชธาตมันไม่ค่อยพร้อมเพียงนั ก, ก น, นะก็ธรรมดาของเตโชธาตตัวไห น, น เตโชธาต์มันดีบ้างไม่ดีบ้งางนะทวนว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลายาผู้ไปหาพระองค์ขจัดภัยให้เข้าได้จริงๆก็หลายท่านไปไหว้พระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยนะได้ความทุกข์ใจกลับมาไหมเพราะไหว้พระพุทธเจ้ามีไหมไ ม, ไม่มีขจัดความทุกข์ทางใจให้ก่อนแต่ขจัดทางร่างกายเนี่ยนะก็บางที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 ทุกขากายญวิญญาณถ้าได้โพธิพารมที่น่าปรารถนาสุ ข, ขากายญวิญญาณก็เกิดแล้วโพธิพารมที่น่าปรารถนาเสมอไปไหมมหาพูดก็คือมหาพูดวันยังค่า น, นะมหาพูดจะไม่น่าปรารถนาเสมอไปนะมหาพูดทั้งหลายก็ก็คือมหาผีนั่นแหละสาธุค่อยมองรอบๆแล้วก็มองกลับมาภายในดูกระจกทีไรก็มหาพูดนะ อันนะั้นดูก่อนมหาพูดฉันจะขอแต่งกัอีกสักพักเดียว น, นะนะหลังจากนั้นมันก็ไม่สนใจกันแล้วเหมือนกันขอให้ส่องกระจกเมื่อไหร่ก็มหาพูดแต่งตัวเมื่อไหร่เออแต่งมหาพูดอีกแล้วมหาพูดนี้พระองค์อุปมาเหมือนอะไรนะอสรพิษนะอสรพิษสี่ตัวสําหรับผู้ที่ไปมาหาสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีอุปการะต่อเขาด้วยอมิสทานกับธรรมทาน คิดดูนะใครจะเลี้ยงลูกได้เท่าพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดแบบธรรมดาทั่วๆไปเนะีถ้าอ้างในนามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนะใครก็ตามเนี่ยลูกแท้ลูกเทียมไม่รู้แหละถ้าอ้างในนามพระพุทธเจ้านี่ไม่เดือดร้อนในอมิตรนะท่านะพระองค์นี่สงเคราะห์ อ, อมิตรเขาก็มีมีผู้ผู้ที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยนะถ้าเทียบแบบแบบทั่วๆไปเนะีพุทธบริษัทนีม่มีทรัพย์ค่อนข้างมากจริง เช่นพระพิสูตอยู่กันแค่สองสามรูปใช่ไหมโบสถนี่ราคาเท่าไหร่น่ะนะใช้พื้นที่กว้างกว่าเพื่อนอีกนะนี่นสล า, าก็หลังใหญ่เชิดก็ไม่ค่อยวาดค่อยไวนยนน้นอนนะอนามิสถานเนี่ยมีมากแลือเกินที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ต้องการพระองค์อยากให้รับธรรมทานมากกว่าเพราะอมิสถานนี่สร้างปัญหาความทุกข์ใจให้ในภายหลังแต่อมิสถานเออต่อไปแต่ธรรมทาน ไม่เป็นเช่นนั้นฉะนั้นพระองค์จึงประสงค์ให้พุทธบริษัตรับธรรมทานเนี่ยนะฉะนั้ น, ะนอยาได้พระองค์อยากให้เราทั้งหลายเป็นธรรมธายาธไม่ต้องการให้เป็นอมิสธายาธถ้าเป็นอมิสธายาธเนี่ยนะก็เคยมีผู้ถามว่าเอ๊ะพระองค์นีรังเกียจสรรพษษัพพะสัตทั้งหลายหรืออย่างไรจึงไม่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายรับอมิตรก็บอกว่าถ้าติดใจในภาคควรจะเกิดที่ไหน นะนก็เกิดแถวแถวผ้านนะถ้าติดใจในอาหารควรจะเกิดที่ไหนถ้าติดติดข้องในที่อยู่ที่อาศัยควรจะเกิดที่ไหนถ้าเกิดติดใจในพระธรรมแล้วควรเกิดที่ไหนอ่ะ น, นะถ้าติดใจในพระธรรมดับทุกได้อ่านนะถ้ายินดีในนิพพานเนี่ยนะมันถ้ายินดีในนิพพานก็ดับทุกจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์อ่ะบอกให้เราของมันมีโทษ มันเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่าเสียหายในตอนปลายแสดงว่าพระองค์นี่หวังดีต่อเราจริงๆใช่ไหมอ น, น, นซึ่งต่างจากผู้ที่เลี้ยงสุราเลี้ยงสุราเราเนี่ยไม่หวังดีต่อเราจริงๆนก็สนุกในตอนแรกใช่ไมแล้วผลผ ผ, ผลของสุราเป็นยังไงัไ้ของพระพุทธเจ้านี่แนะนำให้เราเนี่มีความสุขตลอดไป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 ความทุกข์ทั้งมวลที่เราทุกข์ทั้งหลายให้เชื่อเถอะว่านั่นไม่ได้เกิดจากการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่โดยมากเกิดจากการที่เราไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะนนั้พระพุทธเจ้าจะไม่ประกอบเราเอาไว้ในทุกขเลยอีกในหนึ่งคําว่าภะเเคหิเนี่ยนะภะคะสับเนี่ยในโลกก็เป็นไปในธรรมะหอย่าง6อย่างคือหนึ่งอิสริยะสองธรรม ะ, 3, ยะสย a ะ a สี่สิริหกามะห ปะยะัตต์อธิบายตามลําดับหข้อว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอิสรยะความเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์เองอย่างเยี่ยมอันนกะว่าคนเป็นผู้ที่มีอํานาจในจิตของตัวเองจริงๆพระองค์เนี่ยประสงค์จะคิดอะไรก็คิดได้ประสงค์จะนิ่งแบบไม่ต้องคิดเลยก็ได้พระองค์ประสงค์จะคิดขนาดไหนก็ได้อันนกะ็เรียกว่ามีอำนาจเหนือความคิดอย่างนั้นเถะ แล้วแต่จะน้อมไปเนี่ยนะน้อมไปให้เรียกว่าเข้าฌานโดยที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์พระองค์ก็ทําได้มีความสามารถน้อมจริงๆน้อมไปแสดงย ม, มะกะปาฏิหารสลับความคิดให้มันรวดเร็วว่องไวขนาดไหนทําได้หมดเลยหรือทรงมีอิสริยสมบูรณ์โดยอาการทุกอย่างที่สมมุติว่าเป็นโลกิยะมีอนิมาทําตัวให้เล็กย่อส่วน หลังขีมาทําตัวให้เบาเป็นต้นเนี่ยนะมีอิสระทั้งในรูปของความคิดและในเรื่องของร่างกายเขาเรียกว่าใช้อํานาจทางกายไปถึงพรหมโลกได้อนนหายพระองค์จากพระเชตะวันเข้าถึงพรหมโลกเหมือนกับคู่แขนกับเหยียดแขนคู่เหยียดเนี่ยนะคนมีกําลังนะบุรุษผู้มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยคู่เข้ากับเหยียดออกไม่ใช่ปัญหาฉันใดพระองค์นี่สามารถทําได้ทุกอย่างฉันนั้นนั่นมีอนุภาพทั้งทางร่างกายและ จิตใจในส่วนของจิตตชรูปนะแต่ในส่วนของกรรมมชรูปจะไปทําอะไรเนี่ยนีคือในส่วนรูปมันมีสี่สมุธฐานใช่ไหยกรรมจิตอุตุและอาหารรูปที่มีจิตเป็นสมุธฐานพระองค์เยี่ยมอุตุเป็นสมุธฐานก็นับว่าดีอาหารสมุธฐานก็อย่างดีแต่ว่ากรรมม่สมุธฐานเนี่ยนีไม่มีอะไรที่จะมีกําลังเท่ากับกรรมกรรมนี่มีกําลังจริงๆนะบุญก็ให้ผลอย่างมีกําลังใช่ไหม ตรงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะกาลังแห่งบุญในขณะเดียวกันถ้ายังอยู่ในวัดตาก็ยังว่านะที่จะไม่เปื้อนบาปนีไหม ม, มันก็ได้เกี่ยวข้องนหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสังขารธรรมทั้งหลายที่จะไม่ทำบาปหายยากนักเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นที่โคจรแห่งอะไร เป็นที่โคจรแห่งมารเนี่ยนะโดยเฉพาะกิเลสมารทั้งหลายมันเป็นดินแดนของเขาจริงๆอะ่ะทรงมีโลกุตระธรรมก็เหมือนกั น, นคือพระองค์นี้ก็มีอํานาจในโลกุตระธรรมนะพระองค์ประสงค์จะเข้าพร ะ, ะสมมาบัติก็ก็เข้าได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างในอัตถคถาสัจจกะสูตรที่กล่าวว่าพระองค์สา ม, มารถเข้าพร ะ, ะสมมาบัติตามเวลาที่ต้องการมีนิพานเป็นอารมณ์นะี่ย ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าบริษัททั้งหลายเขาอนุโมทนายกาสาธุสมครั้งเนี่ยนะเวลาสั้นๆอันนั้ น, นพระองเข้าสมาบัติได้แลน น, น, นเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติพร้อมกับเขาสาธุจบพอดีเนี่ยนะมีอํานาจที่จะเข้าโลกุตระสุขได้ขนาดนั้นเนะนะท่นนานพระองค์ชํานาญมากในการที่จะเข้าพระสมาบัติของเราชํานาญมากที่จะคิดเรื่องเดือดร้อนเนี่ยนะมันมีเวลาภายใน3นาทีเราหาเรื่องให้วิตกกังวลก็ได้ ออมีเวลาสั้นๆเราก็หาเรื่องทุกหาคิดจนทุกจนได้นะอากาศก็ดีอาหารก็ดีอุตูก็ดีหาความทุกมาใส่ตัวอีกจนได้เก่งมากอย่างนั้นชำนาญคนละอย่างนะ <c oughs> คิดจนเดือดร้อนจริงๆ <c oughs> ต่อไปพระองค์ทรงมียศอย่างบริสุทธิ์ยิ่งที่ทรงได้โดยพระคุณตามเป็นจริงปรากฏทั่วสามโลก คำว่ายศเนี่ยเนี่ยโดยแบ่งออกเป็นหลายอย่างคือบริวารยศเป็นต้นพระองค์ก็ได้บริวารโดยชอบธรำใช่ไหมพระองค์ไปเที่ยวครูครูไหมเธอทั้งหลายต้องมาเคารพเราแบบแบบจกกักรทรราชทั้งหลายเนี่ยที่ไปเกณฑ์คนมาให้มานับถือตัวเองให้มากราบมาไหว้ตัวเองเนี่ยพระองค์เป็นเช่นนั้นไหมไม่เป็นเนี่ยนะจรราชทั้งหลายเลยนะใครดูตัวเองเนี่ยนะบางทีอ่ะกษัตริย์บางยุคเนี่ยนะ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 แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจา้าทางจิตใจเนี่ยนะมีอยู่ในโลกสามมนุษย์ อ, อะมนุษย์เดราชานทั้งหลายบางพวกเช่นพวกนาค ก, ก็เจริญพุทธคุณมนุษย์ทั้งหลายก็เจริญพุทธคุณก็เืี่ยว่าใกล้ชิดกับพระองค์ทางจิตใจเทวดาทั้งหลายก็เจริญพุทธคุณใกล้ชิดกับพระองค์ทางจิตใจแม้กระทั่งสรรพสัตว์อื่นพรหมทั้งหลายอรูปพรหมทั้งหลายอรูปพรหมก็เจริญพุทธคุณนี่นะ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 อนตาของหม่อมฉันไม่อิ่มด้วยการดูรูปของพระองค์หูของหม่อมฉันก็ไม่อิ่มด้วยการฟังเสียงของพระองค์นะแต่ใจอย่างเดียวที่อิ่มอิ่มด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจริญนี้เป็นคำของใครพระมหาปชาบดีโคตมีนพระมหาปชาบดีโคตมีนี้ท่านมีศรัทธาในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะนะรักพระพุทธเจ้าตั้งแต่เล็กๆเลยนะ